มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาทุติยวัคพระคัโตพิขุคณ น, นะอเปกขภาวะปัญหาที่สิบถามว่าเดิมตรัสว่าจะไม่ปกครองคณะสงฆ์ภายหลังตรัสว่าพระศรีอานจะปกครองคณะ เหมือนตถาคตเพราะอะไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสมเด็จพระบรมโลกกานาสาสดาจารมีพระพุทธดีกาโปรดประธานดังนี้ว่าอานันท์ดูกะระสําแดงอานุนจิตตถาคตนี้มาปริวิตกว่า จะไม่บริหารปกครองภิกษุสงฆ์และจะไม่เป็นกังวลยกย่องภิกษุสงฆ์สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสประพาธไวเชนี้ครั้นมาอีกทีหนึ่งเล่าสมเด็จพระอนาวราณยานเจ้าเมื่อสรรเสริญสภาวะคุณแห่งสมเด็จพระเมรไรโพธิสัตว์เจ้าอันจะมาตรัสในอนาค ต, ตกาลภายภาคหน้านั้นสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่า พิกา เ, เวดูกะระพิกษุทั้งหลายผู้เหนื่อยหน่ายในวัตฏสงสารสมเด็จพระศรีอาริยะเมตไตรเจ้าเมื่อมาตรัสนั้นพระองค์จะบริหารปกครองพระพิกษุสง์มากกว่าพันเหมือนตรัฐาคตบริหารปกครองพระพิกษุสง์มากกว่าร้อยอยู่ทุกวันนี้โยมรำพึงดูคำทั้งสองนี้ไม่ต้องกันจะเชื่อคำภายหลังที่ตรัสว่า สมเด็จพระพุทธเมตไตรมาตรัสจักบริหารปกครองภิกษุสงฆ์มากกว่าพันทุกวันนี้ตถาคตนี้บริหารปกครองภิกษุสงฆ์มากกว่าร้อยคำเดิมที่ตรัสว่าไม่ดำริที่จะบริหารพระภิกษุสงฆ์และไม่เป็นกังวลยกย่องภิกษุสงฆ์คำนี้ก็เป็นมิจฉาครั้นว่าจะเชื่อเอาคำเดิมนี้คำภายหลังก็จะผิด อายังปันโหปริศนานี้เป็นอุพโตโกตินิมนโปรโดวิสัชนาในการบัดนี้พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่าพาสิตะเมตังมหาราชภะคะวตาขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารคำทั้งสองประการที่สมเด็จพระบรมโลกุตมาจามีพระพุทธดีกาโปรดประทานไว้ว่า ดูกระสำแดงอานนเอวังจิตตังจิตของตถาคตนี้มาปริวิตกว่าจะไม่บริหารปกครองภิกษุสงฆ์และจะไม่เป็นกังวลยกย่องภิกษุสงฆ์คำเดิมว่ากรณีครั้นมาภายหลังเล่าสมเด็จพระมหากรุณาที่คุณเจ้าเมื่อจะทรงสรเสริญสภาววคุณอันใหญ่แห่งสมเด็จพระเมตไตรยเจ้า ยังมีพระพุทธดีกาตรัสโปรดประธานไว้ว่าเมื่อพระสีอริยะโพธิสัตว์ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจักบริหารปกครองภิกษุสงฆ์มากกว่าพันเหมือนตถาคตบริหารปกครองภิกษุสงฆ์มีกำหนดมากกว่าร้อยอยู่ทุกวันนี้คำเดิมนั้นมีอัดเป็นสาวเสธคำภายหลังเป็นนิราวเสธ สมเด็จพระมหาการุณาธิคุณมิได้ทรงดำเนินตามบริษัทสาธุชนทั้งหลายบริษัทสาธุชนทั้งหลายตามเสด็จพระองค์ถ้อยคำที่ว่าอะหังมะมังนี้เป็นแต่สมมุติไม่ใช่ปรมัตดพระพุทธองค์เจ้าปราศจากความรักความเยื่อใหญ่แล้วไม่คิดยึดถือว่าของเราเป็นแต่อาศัยความยึดเหนียวเนื่องถึงกันเท่านั้น มีอุปมาดุดหนึ่งว่าแผ่นพระสุธาดนอันใหญ่เป็นที่อาศัยแห่งสัตว์ทั้งหลายแผ่นพระสุธาจะได้ยินดียินร้ายแก่สัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายของอัตมาหรือไม่เป็นของอัตมาหาไม่ได้สัตว์ทั้งหลายทั่วไปอุปัสยังเทติให้ที่อาศัยแก่สัตว์ทั้งหลายไม่เลือกหน้ายถามีครุวนาฉันใด สมเด็จพระบรมโล ก, กน่าเจ้านี้สัพพสัตานังปฏิทถาก็เป็นที่พึ่งอาศัยแก่เวนยยะสัพพสัตวทั้งหลายไม่เลือกหน้าจะได้ว่าสัตว์นี้อาศัยพระองค์เป็นของพระองค์หรือไม่เป็นของพระองค์หาไม่ได้มีอุปมาเหมือนพื้นพระสุธาดลฉะนั้นอันหนึ่งเปรียบดุดหาฝนณบอ่อพิษพระราชสมภารธรรมดาว่าหาฝนนั้น บรรดาตกลงมาให้จำเริญแก่มนุษย์นิกรสัตว์ทั้งหลายกับทั้งต้นไม้และเส้นญ้าสรรพสัพตตานังอนุปาละญติเลี้ยงรักษาสัตว์ทั้งหลายฝ่ายว่าสัตว์ทั้งหลายนี้วุท ธ, ธิหิอุปชีวิโนได้เลี้ยงชีวิตเพราะฝนฝนนั้นจะมีเจตนาเพ่งเอาสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายอาศัยอัตมาหามิได้ยถา มีครุวนาชันใดบ่พิษพระราชสมพานสมเด็จพระบรมโลกรนาศาสดาจารยังกุศลธรรมให้บังเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายด้วยศีลและพระองค์จะได้ทรงจินตนาการว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นของพระองค์หรือมิใช่ของพระองค์หาบ่ ไ, ได้เหตุดังนี้เป็นชันใดเป็นด้วยเหตุว่า พระองค์มิได้มีอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นอันไปตามซึ่งตนขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีน้ำพระไัยไม่กังขาจึงได้มีพระราชองค์การตรัสสรรเสริญว่าปัญหานี้พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้สิ้นกังขาเข้าใจได้แล้วปัญหานี้ลึกล้ำคำเพียรภาพอุตตานีกตาพระผู้เป็นเจ้ากระทําให้ตื้นง่ายได้ขันดิพินนา พระผู้เป็นเจ้ากระจายเสียซึ่งที่อันฟัน่นเฟือบรรดาจะจับต้องบ่ ไ, ได้พระผู้เป็นเจ้ากระทำให้จับต้องได้ง่ายง่ายอันหนึ่งคำประรับประวาดทั้งหลายที่มีสอดแคล้วเข้ามาพระขาวาพระผู้เป็นเจ้าหักเสียสิ้นสุดประธานดวงจากสู่แก่พระชินบุตรไว้จะได้สว่างไปข้างหน้าในการบัดนี้พระวะโตภิคูคขขณะอเปคาภาวะปัญหา เป็นคำรบสิบจบเท่านั้นจบทุติยาวัก